لا خلق السماوات والأرض. لا خلق السماوات والأرض. أ م ى خلقنا أكبر من خلقنا. ولا إِنَّا َْ ر َ ا ل ن َّ ا س س َ ل ن ََ ا ش ِ ل ا َ م وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِي المسيء، قليلا ما تقول، قليلا ما ت ل أ س ت ج ي ب ا ل ل م إ م ا يسكتون عن عباده إن الذين يسكتون عن عباده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 وأشهد والله ا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله ا ل ت ا ما ت م ن ش ر ما خلق بسم الله الذي لا يضر م ع اسمه ش ي ء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم رضيء بالله رب رب الإسلام دينا و ب م ح م د الرسول اللهم إني أعوذ بك من ا ل ك س ب وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم ف ا ط ح السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ر بكل شيء و م ا, إ, إ, أ ل ัล ش ิกะชดว่าลาอ ا ลาอิลล่าอันต ر อางุ أ ิ ع ะมินชัร و นัฟซีว่าชัรีชัยตันีว่าชัร ل กีว ا ل م ันอัคตารีฟะอลา ه ัฟซีซูอันอว่าจุรรับุอิลลามุสลิมลาอิลาฮิบัล รับบีอาเสลุ ي ه ่ายรมาฟีฮ و ดะล و ยานว่าข่ายรม ع บาเดอูรับบีอางู ا ิค์ฟีลِคาส์ลีว่าสุ ا อลคิบร ا ل ับบ ا อางูบิค์ฟีงดับบ ب นฟีนารีว่าดับบินฟี ع ل วบรีัลลาหูมะัสบะห์นาัลลาฟิตร์ต์อิสลามัลลากล وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه و ز ن ة عرشه ومداد كلماته يحيي ا ق ي و م برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرف عين พับศีอลลอฮ์และงานมาลุอาคีล السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่ร่วมนมัสยิดที่มัสยิดของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับกระทั่ดีละดูความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงชั่วโมงนี้ ด้วยความเมตตาของพระองค์เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่เอาล้ให้เราเป็นมนุษย์ให้เราอยู่ในศาสนาอิสลาม <c oughs> ให้หลับไปเมื่อคืนนี้แต่ให้ตื่นขึ้นมาเนี่ยทุกอิริยาบถเนี่ยต้องนึกถึงอัลลอ์สุบฮาหนหูวะตาเลเพราะการนึกถึงอัลลอ์เนี่ย <c oughs> ทำให้หัวใจมีชีวิตชีวามันสองอย่างนะตายด้านกับมีชีวิตชีวา ทุกคนอยากมีชีวิตชีวาหมดแต่ใช้ชีวิตไม่เป็นพอใช้ไม่เป็นนี่มันจะเราจะทำลายเลยนะยังกับให้อยู่แบบเฟรนโฮนนัน่นแหละให้ตำแหน่งมาด้วยให้เงินด้วยให้ลูกนอ้องเยอะนะสารพัดเราให้หมดเลยแต่ให้เฉพาะโลกนี้โลกเดียวพอ ความตายมาถึงขะหอยเพิ่งจะรู้สึกเพิ่งตื่นนะ่ะอ า, าฉันใช้ชีวิตพิษใช้ชีวิตพิษหลังจากตายไปแล้วนะ่ะไม่ไมีคำว่ า, านอนอีกต่อไปพอชีวิตเราเนะี่ยอยู่ในกุโบเมื่อไหรนะ่น่ะตื่นทันทีครับ เ, <c oughs> เรื่องนอนไม่มีแล้วมีตื่นสองอย่างตื่นแบบมีความสุขกับตื่นแบบถอดถุง ถูกทรมานนี่เป็เรื่องจริงทั้งหมดจนในคัมภีรุรารนนบีสอนเล่าให้เราฟังฉะนั้นอยู่บนดุนยาเนี่ยถ้าจะให้เป็นคนไม่ถูกทรมานในนั้นะยึดอัลกรุรอ <c oughs> านกุรานจะเรานั่งานมาอยู่นี่แหละฉบับนี้แหละทําให้เรามีชีวิตชีวาอะผมยกกุารานแล้วกันนะอายาหนายที่บอกว่าถ้า ถ้าไม่อ่านกุณอ่านไม่ศึกษาหาความรู้จากกุณอา่นะญญา น, บบนนี่นะอเลาจะให้หลงดุนยาเนี่ยหลงแบบเพลินได้นะแล้วยังดูถูกเหยียดหยามคุณอ่านกุณอาน อ, อีกพัวเรายาะอีกออย่างนี้เป็นตันแล้วคนส่วนใหญ่ที่อ่านกุณอานในส่วนใยาก็คนไม่ค่อยมีสตางคน์นะคนจนๆเแต่ถ้คนไม่อ่านกุณอ่านเนี่ยอเลาจะให้อะไรนะโอ้โหนั่นไม่ใช่บรารักัดนะ พะอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วให้ตามพระกําหนดที่อัลลอฮ์กำหนดให้แบบไม่มีบุรกาักับให้แม่มีบุรกรับให้แบบอไรนะให้แบบเป็นหน้าที่ต้องให้อ่ะใช่ไหมล่ะแต่อีกคนหนึงให้ด้วยให้บุรกาัด้วยให้ความเมตตาด้วยให้ความรักด้วยจะเอาแบบไหนเอาเลือกเอาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นมาดูคนที่ไม่อ่ายกูฮาน ไม่ใช้ชีวิตตามอัลกรุรอานอัลกรุรอานนี่ที่เราอ่านมาแล้วนะสุรก่อฮาสรที่ยี่สิบอายะที่สองสี่ว่มันอ่าราตอันดิคีว่าอินน่ละหูมาอิชัตันลองกาอาแค่นี้ก่อนพอเราเรียนมาได้ใช่ไหมที่ทวนความจังผูดด้ใดที่หันหลังให้ อ้าเราก็แปลว่าหันหลังหรือปฏิเสธอรุกรลานลรุกูาลานเนี่ยเเป็นข้อเตือนใจแต่เราไม่เอาไม่เรียนใช้ชีวิตแบบนี่แบบคนคาฟเฟ่ทั่วๆไปนี่ทีนี้ฟาอินนาลอูมาอีชาตันดองกานี่อัลลอฮพูดเลยนะเตือนนะชีวิตการเป็นอยู่ของคุณเนี่ยจะอึดอัด ชีวิตการเป็นอยู่ขอมคุณจะลำบากคำว่าลำบากไม่ได้หมายความว่าเงินไม่มีใช้น่ะมีบ้านใหญ่ๆอยู่มีเงินเยอะมีลูกหลานเรียนหนังสือแฮปปี้ในชีวิตดุจยาใช่ไหมมีงานทำมีรถขับมีตำแหน่งมีเงินมีคนตอนหน้าตอนหลังแต่ลึกๆแล้วน่หัวใจไม่สงบครับหัวใจไม่สงบครับ ก็ไม่เห็นเลยที่เราเห็นอยู่ในข่าวนี่นะมีเรื่องนิดเดียวกูฆ่าแล้วใช่นะไม่ใช่มีปัญหานิดเดียวเนี่ยโวยวายแล้วด่าแล้วด่าคนนั้นด่าคนนี้แค่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆ น, นี่นะเรื่องอดทนไม่มีให้อภัยไม่มีเพราะอดทนให้อภัยนีย่มามาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดอนะ่ะมาจากสุนนะนบีทั้งหมดนะแต่นึกไม่ถึงอะ่ะเพราะว่าหัวใจขับแค่ หัวใจครับแคบมีสองความหมายความหมายหนึ่งบนดุนยาความหมายที่สองหลังตายพอหลังตายเสร็จแล้วเนี่ยนะเาลาจะให้อะไรนะแผ่นดินเนี่ยบีบทุกคนถูกทวงบีบหมดบีบแบบแรงหรือบีแบบไม่แรงแบบเรากรอดลูกใช่ไหมล่ะเรารักลูกเนี่ยพราะความรเพราะความรักเรากรอดมันการแตะ บ, บีบมันแรงแรงพอความ มันไส้อ่ะใช่ไนะแผ่นดินนี่ก็กอดเราจใต้ใต้ดินเนี่ยเพราะความเมตตาเราเพราะว่าแผ่นดินนี่มองเราอยู่นะ่ะมองเราอยู่ทุกวันเนี่ยคนนี้มันเดินไปมัสยิดคนนี้เดินไปเยี่ยมพ่อคนนี้เดินไปเยี่ยมแม่คนนี้ไปติดต่อกับญาติพี่น้องคนนี้เดินเอาเงินไปบริจาคอ๋อแผ่นดินเนี่ยดีใจเอ็กพอตายปั๊เนี่ยแผ่นดินอกอดกอดด้วยความรักนี่ไะ แล้วข้อที่สองพออยู่ในกูโบสเสร็จแล้วนี่นะเพราะอานพราะไม่ไม่อ่านกูนอ่านอย่างเดียวนะฮะหลังอนกูนอานเนี่ยเาลาจะส่งงูมาประมาณเก้าสิบเก้าตัวมากัดถาว่าเจ็บหรือไม่เจ็บฉะนั้นชีวิตหลังตายเรื่องนอนไม่มีครับตื่นตลอดจะตื่นเบื่อหน่ายจะตื่นแบบฟาโร่มห้ละเห็นนรกเห็นนรกเห็นนรก นอนรับอะไอ้เรื่องนอนไม่มีครับสลับมุมินที่มานต่อรอเนี่ยเรียร๋ยเสมือนนกเนี่ยบินไปนี่นบีเล่าเองนะนะเหมือนนกบินไปกินทนนั้นกินอาหารตนนี้กินผลไม้ตนนี้ไม่ได้นอนครับเรื่องนอนไม่มีนอนเฉพาะบนดุนยานี้เท่านั้นพออยู่ในสวนสวรรค์แล้วเรื่องนอนไม่มีเหมือนกัน่ะข้าวของน้าไม่มีอลัลลอฮฺว่าชีไม่มี เงือไม่มีนอนไม่มีเจ้านั้นบูตอยู่บนดุนยาข้าคิอรอชีวิตไม่เหมือนกันเจ้านั่นอยากจะอยู่สบายไม่ล่ะไม่มีการทรมานจับกุรานสม่ำเสมอเรียนหาความรู้จากกุรานสม่ําเสมอวันละสองอายะสามอายะก็ได้ค่ อ, คอยศึกษาไปเอาวันนี้มาดูอายะที่เท่าไหร่นะห้าสิบเจ็ดเมืออ่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพูดเรื่องอะไรนะ คือรู้ผู้เรื่องว่าหัวใจของคนนี่นะอินฟิสูดูริมอิลลาคิบรุนหัวใจของมนุษย์เนี่ยที่ไม่เอากุรอานไม่เอาสุนนะนบีไม่เอาอัลล์เนี่ยเพราะอะไรเพราะโอหังแต่นี่วิธีที่จะกระจัดความโอหังให้กลับคำไหนนะฟัสตาอิบิล ฉันขอความคุ้มครองเจ้าตลอให้พ้นเจ้าใสตตนพูดคำนี้เยอะๆเหมือนกันบาที่เราลืมอ่ะเออโสรัพท์วางไว้ที่ไหนเนี่ย <c oughs> เดินหาในบ้านไห้เจอวิธีที่จะขจัดความลืมให้อ่าน อ, อูซุบิลมินาไคอนิโรจีลหลายๆเที่ยวอูซุบิเลมินาไซคอนิโรจีเาอูซุบิ ล, เ, ออบล เ, เดี๋ยวเจออิช allah บางคนเนี่ยพกเข้าเสือนมาเต้องนึกได้ใช่ไหมล่อมุลวันนี <S <S ้อายนะครับจะที่หาสิบเกดแล้ว خلق سماوات و ا ل ا ر ค أكبر م น خلق الناس ولكن أ ك ร ر นนาสิลา يعلمون خ َคْ ق si la ُ ا ل س َّ ما <flatter> ว <people> ัต ا ละเรืออ <pic> ัครَบรุ่นคَนั้นแَ่ละคนนั้นไมَู่้เรื่องَี้ข้ามดีเลยเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความรู้กับท่านนบีให้เจบรินเอากุรานเนี่ยมามอบให้ท่านนบีเลยเรียกว่าอวยนะครับมาดูคาแปลนะ ขลุกูแปลว่าการสร้างอราเล่าให้ฟังมนุษย์ไม่ต้องมาสร้างมาตุ๊ดมนุษย์ไม่ต้องมนันเยกการสร้างชันฟ้าในแผ่นดินเองสร้างบ้านหลังเดียวเองเลเหนื่อยอยู่แล้วไม่เห็นหรอแค่สร้างบ้านนี่นะวางแผนนะ เงินก็ไม่มีก็ต้องไปกู้ครับวะโหลสารพัดเ น, นี่ยเนี่ยเลาฉะนั้นเรื่องสร้างชั้นฟ้าเป็นดีเองไม่ต้องมานั่งคิดฉันคิดแทนแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยเราเขาลูกุศลาวติวลอร์อุลเบแน่นอนการสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นอัคบารุอัลลอฮฺอุลอัคบัตเนี่ยสับคำเดียวกันนี่แหละแปลว่ายิ่งใหญ่หรือใหญ่กว่า เราู้ว่าสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินนี่ไล่เล่าให้นบีฟังให้นบีมาเล่าต่อว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดิน น, น, าา น, น, ดนี่นะมันงานใหญ่นะแต่มนุษย์ยังปฏิเสธว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างใชไ่ไหมหนะ้ามันไส้ไหมล่ะแล้จะไปเล่าคนอื่นฟังอีกนี่มันเป็นธรรมาชาติเกิดมาเองแล้วเกิดมาเอง อ, อัลลอฮ์ว่าไง อะไรบ้างที่เกิดมาเองบนโลกนี้ลองชี้มาสักอันหนึ่ง <c oughs> แม่เน่ยก็มีคนท้ามใช่ไหมแม่มีคนท้ามเนี่ยมันจะแย่งกันด้วยไปสัตว์กูไปสัตว์กูไปสัตกวูวว <c oughs> นี่ทำไมไม่ใช่ปพญ่าละ่ะ <c oughs> นี่พอหันมาเจอกูหานก็ยอมจำนนอ๋อนี่ Allah สร Al ้างมาอัล a ัมดุลิลละ Allah เล่าเองนะครับผ่านอบดุลฮ์านสบีมาสอนว่า การสร้างชั้นฟ้าทางหลายและแผ่นดินนั้นอัคบาลูแปลว่าอะไรนะใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าสร้างอะไรครับมินคอลเินาการสร้างมนุษย์มนุษย์ก็ถูกสร้างชั้นฟ้าก็ถูกสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เลาสร้างหมดแต่วิธีการสร้าง ต้องประทานน้ำปัญญาศาสตร์มาอย่างไงอะไรอย่างไรค่อยๆศึกษาไปพี่น้องแต่ต้องยอมรับในใจว่านี่มาจากอัลลอฮ์นี่ความสุขความสบายที่เราได้รับเมื่อคืนนี่มาจากไหนอัลลอฮ์ให้อ่ะต้องเตือนกันบ่อยๆที่ลุกขึ้นมานำมาตะฮัดยุดได้นี่อัลลอฮ์ให้เดินมามัสยิดได้นี่อัลลอฮ์ให้อย่าลืมออกจาก บ, บ้านอ่านอุอาบทไหน บ, บิสมิลลาฮิรเราะห์มัลลัลลอฮิวะนี่ต้องขอบคุณอลัลลอฮ์ตลอดเวลาเลยเนี่ย ถึงหัวใจมันจะสง่างามครับวันละกินอักครรนาสแต่ลากินแปลว่าแต่อักครรนาสมนุษย์ส่วนใหญ่ใช่หรือไม่ใช่วันนี้มีประมาณ 7,000 ล้านใช่ไหมประมาณ 5,000 ล้านเนี่ยส่วนใหญ่นะปฏิเสธ huh? ัลลอดบางบางศาสนาน่ยยึดอัลลอฮ แต่ไม่ใช่ล่อองค์เดียวนะมีตัวช่วยด้วยมีน บ, บีอิสรา์มาช่วยมีแม่มาช่วยมีโอ้โหพระเจ้าสามองค์ไงเรียกวทรินิตี้นี่เห็นไหมนั่นใช่ไหมไม่ใช่ชริกประกาศน บ, บีอิสาได้ยังไงปกับแม่มาเรียได้ยังไงส่วนยิฮูดินะ่ะด่าอักนะด่ามานัน บ, บีอิสาด่าน บ, บีอิสาด่าว่าไงน บ, บีอิสาเป็นลูกไม่มีพอ่อนี่ออกจะปาโยฮูดีทั้งหมดอนะ่ะ แต่ส่วนแม่เนี่ยเป็นหญิงชู้ทองมาไม่มีพ่อผู้นบีอิสาถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเอาคําสอนมาขวางเขาเองนากแล้วจับจับจนกระทั่งประจับตัวผิดน่ะอรรถนี่คุณอานเล่าเองนะไปจับนบีอิสาที่มาบุคัารังเขนน่ะนั่นจับตัวผิดเมื่อถูกเล่นงานอย่างนี้อรรอยยกนบีอิสาขึ้นไปบนสันปาเรื่องอย่างนี้เป็นความจริงในคัมภีร์คุณอ่านแต่หลอกมนุษย์ทั้งโลกน่ะ กาบนบอิสากาพระแม่มารีนบอิสาถูกตึงบุบบางเข็พิษมุดเลยแต่เรามุสลิมก็เดินตามเขาใช่ไหมถึงได้เตียนกันในมัสยิดนี้และละหมดีล่ะลรขลุงกุศมาวรรค์ลอร์ดิอัคบรุมินขลกินนาส แน่นอนการสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นใหญ่ยิ่งกว่าการสร้างมนุษย์นี่เล่าไม่ฟังนะมนด้วยปัญธรรสร้างชาฟุชั้นฟ้าเราคุณสร้างไม่ไหวอยู่แล้วเราก็สร้างไม่ได้ด้วยฉะนั้นยอมจนวนดนต่อเราซะวะดะกินอาซารอนนสแต่ว่ามนุษย์สุวรใหญ่เนี่ยลรายาลมูนไม่รู้ ถ้าจะให้รู้พวกเราต้องออกไปทำงานศาสนา <c oughs> รู้ป่าเอางี้อัลลอฮในการในรรอัลกุรอานอายะอื่นนะบอกว่าในสุวะเตาบะอายะที่อายะที่ห้าห้าสิบสองมนุษย์เนี่ยมีสองกลุ่มยังไงกลุ่มมเมนกับกลุ่มกาเฟตกลุ่มมุมนเนี่ยรออะไรพวกเราเ น, นี่ยรออะไร ถ้พูดพกเรามันถ้าถ้าไม่อ่านอายะนี้ก็ไม่รู้ว่าเรานีู่โลกอะไรนะถ้าอ่านกุรอานนี่ใจท่านพวกปริสตานเขาอ่านกุราอานกันเขารู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยอยู่เพื่ออะไรกําลังรอหนึ่งในสองความดีที่ยิ่งใหญ่รอหนึ่งในสองความดีที่ยิ่งใหญ่อ่าพูดไหม นะหนูนัตตอรอบบาสูบิคุมนะครับฮัลยาตอรอบบาสูนับบินอิลลัยฮ์ดัลฮุสนยาใหคนมุสลิมทั้งโลกนะครับที่เข้าใจอิสลามนะที่ไม่เข้าใจนี่ก็เก็บไว้ก่อนเอาที่เข้าใจนะเขาไม่ได้รออะไรนอกจากรอความดีที่ยิ่งใหญ่สองรายการไม่จะรองเงินด้วยไม่จะรอเมียสวยด้วย รอให้อิสลามเจริญและใครทำให้เจริญก็พวกเรานี้ได้ถ้าพวกเราไม่ทํางานเลยนอนหาเงินหาเงินหาเงินรูปแบบใครอ่ะหาเงินอย่างเดียวนะรูปแบบใครมันต้องหํามทำงานอิสลามสอนคนให้รู้จักอัลลอห์ให้รู้จักรอซูลให้รู้จักสุนานะนบีนั่นแบบอยู่ตรงนั้นทีนี้ถ้าเราสอนสอนสอ น, สอนคนได้อิมามอิบามเพิ่ โลกนี้เป็นของใครเป็นของมุสิมอ่ะเป็ของมุสลิมทำงานเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยครับเรารอตรงนี้เราหยุดทำงานาสนาได้ไหมหยุดไม่ได้และอย่างนึงรออะไรรู้ไหมรอตายสาหิตต้องนึกเราตายสาหิตจะตายดีได้ไม่ดี <laughs> นี่อัลลอฮ์ชี้นำให้นบีฉันมุมลิมในอยู่ในโลกนี้นะรอสองอย่างเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ รอให้อ <processor. S 2> like ิสลามเนี่ยเจริเราเจริญไหมเจริญขึ้นเจรินขึ้นเจริญขึ้นแต่ต้องมีระเบิดก่อนถึงจะเจริญได้อะสังเกตไหมตะโกนเทรนเนี่ยถูกระเบิดใช่ไหมใครฝีมือมุสลิมใช่หรือไม่ใช่อิสลามเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นไออมุสลิมก็สังเกตดูกันไปแล้วกันนะผมไม่แแต่เยอะเลย ฉะนั้นมุมินเนี่ยรอสองอย่างรอให้อิสลามจเจริญด้วยการด่าว่าอิสลามคนยิงมันไส้ขึ้นมันไส้ขึ้นมันไส้ขึ้นดาขึ้นดาขึ้นเสร็จแล้วก็มาฆ่าอาระเบิดวางมายิงมอะไรก็ตามแต่ตายเสีชีวิตท่านใจต้องสะอาดเรามุมินต้องใจต้องสะอาดส่วนคนกาเฟต ร, รออะไรรอสองอย่างเหมือนกันหนึ่งรอการลงโทษ นัทรอปบาสราบุมอายูซีเบกุมุลลอรอการลงโทษจากอัลลอฮ์แบบฟาโรา่แบบฟิรอูนแบบฮามานแบบไรนะแบบเดฟซีนั่นรอลงโทษแบบนั้นคนกาฟเฟกอยู่บนโลกใบนี้อยียาม ข, ข้อข้อที่สองรอว่าเมาื่อไรมุสลิมจะไปเล่นงาน <ś c oughs> อย่างไม่มีเตือนตลวว่าต่างคนต่างรอนะเป้าหมายการรอคนละอย่างนะเราเนี่รออะไร รอเยแ่าสคือม้กระรอกตายเสียอาแคนี้ตะอแต่แคนี้พอต่อมาครับอายาที่ห้าสิบเก้าอินเมชาห้าสิบแปดว่ามายาสตาวิลอามาวัลบอสี والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسير ق ت ت ي ي ى ل ي ل ا ما تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ว่าลัลมุสีกาลิลมมามะจะ تذكر ุนอรห์บอกบทโบรานะดีจริงๆเลยนะเล่าให้เราฟังให้เปิดหูเปิดตาพวกเราเองน่ะเล่าให้น บ, บีฟังน บ, บีก็มาสอนต่อเราก็อ่านต่อเอามาดูยัสตาวีแปลว่าถ้ามีมาเข้าไปแปลว่าไม่เหมือนกัน มายัสตวีไม่เหมือนกันเหมือนสีขาวกับสีแดงเห็นชัดอ่าใก็เล่าให้กัรวันในสังคมโลกนี้นี่นะมไม่เหมือนกันครับคนไหนอ้ามาคนตาบอดคนตาบอดเนี่ยพู้จางอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคนตาบอดเรมามีใช่าห อามัดที่ยคนเทนทีมีเยอะคน่แให้มีคนตาบอดถ้เราได้มองแล้วพอคิดออกในตาบอดเราก็ตาดีกระจายง่ายใช่ไมล่ะแต่จริงๆอ่ะลึกๆระอาจรจะอธิบายว่าคนมีาศาสนากับคนไม่มีาศาสนาคนที่มี إ ม م ا นต่ออัลลอฮ์นี่เาเรียกว่าคนตาดีแต่คนที่แข็งแรงอ่ะแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์น่ใช่ไหมเรก็ไปการาบนาอีซายกตัวอย่างนี้นะ ไปกราบใครจะใครจะเวททั้งหลายนี่นะเรียกคนตาบอดในคุรานะไอชาปัญญาโอ้ตอนนี้คนตาดีกับคนตาบอดคนที่มีคนที่หลงอาเคโรกับหลงวัตถุเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันคนกาวเฟรตรออะไรคนมุมินรออะไรอธิบายเด็กกินเลยใช่ไหมนั่นแนหะเหมือนกันไหมชีวิตไม่เหมือนกันครับ เดินอยู่บนหน้าดานยาใบนี่นะมองสิ่งหนึ่งนี่คิดคนละอย่างคิดคนละอย่างครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไม่ไม่คุมมียามุ่งกระปุกเราคิดยังไงสงสารสงสารอยากจะให้แต่งตัวให้มันถูกต้องอีกกลุ่มหนึ่งเห็นผู้หญิง ส, สวยๆได้มากูจะเอาไปทำเมียจะเล่นกิก๊ก ต่างกันไหมหลักความคิดน่ะตามกัเรงหเห็นยังนี้อิสลา ม, มพอมีอิสลามมีอิมานอยู่ในหัวใจเราแล้วเนี่มันแยกแยะออกนะระหว่างคนตาดีกับคนตาบอดมาต่อมาครับบาซีบอว่าคนตาดีนะอามามาทีคนตาบอดครับแต่ี่คำว่าตาบอดในในในอักุรอานมีอายะหนึ่งนะงคนที่หันหลังให้กับอัลกุรอาน พอฟื้นขึ้นมาในสุสานที่กูโบนะตาบอดแล้วก็คนนี้ก็ถามอัลลอฮ์ว่าอัาลลอฮ์ลิมาฮัสัฟตานีอามาให้ฉันตาบอดทำไมว่าก็จะคุ้นตูบอกสริรอทั้งที่ฉันเคยตาดีมาก่อนบนโลกดุนยาอัลลอฮ์ก็ตอบบอกว่าอะตัชกะอายาตุนาเราได้ประทานกุรอานมา ให้คุณผ่านนบีมุฮัมมัดเนี่แล้วก็องค์อัยยะในกุรานอะไรในเรี่บอื่นๆเนี่ยผ่านนบีนู่นนบีนี้จะไม่ให้มาเนี่ยฟันนาซีแต่คุณเนี่ยลืมวันนี้คุณก็ถูกลืมเหมือนกันคนละทีเป็นการแก้แค้นเลยนี่ล่าเป็นการแก้แค้นนั่นนะพะให้แล้วแต่คุณไม่นึกถึงผู้ให้อะตั้งเยะเป็นต้นจะนั้นการตาบอดเนี่ย บนดุลยานี้บอดจริงหรือบอดไม่จริงก็ตามแต่อธิบายได้หมดแต่อจะบอดจริงๆในทุ่งม้าชัดพี่น้องแล้วก็จะถามมาแล้วว่าตาบอดทําไมนี่แหละฉันให้กุรานมาให้นบีมาให้กิบบลัดมาให้ใบตุลล้อมาให้ซุน่านาบีมาแต่พวกเองแอนตี้ใช่ไหมล่ะด่านนู้นดาน น, านี้ตำห น, นินู้นแล้วก็ดึงคั่กขี้เรามกอะไรนะมาขวางอีก เอ้ยต้องถูกหนัก อ, อย่างนี้แต่บุ ญ, ญาณให้ใช่ไหมอัลลอ์เอาไปเลย ก, กินไปตให้ด้วยความมันใจวัลลอฮนะมนุษย์วางมิลซาลิฮัและบรรดาผู้ที่มีอีมานอัลลอฮ์บออีมาต้องอกข้อนะแล้วก็อิสลามดีห้าข้อนี ย้ำนะย้ำการบเราวิ่นะว่าไมิลุ้ซอลยฮะมีมาอย่างเดียวไม่พอต้องมีอามันติสอลเลยการนั่งฟังตัฟซีตเป็นอามันติสอนเลเอาเงินไห้ภรรยาชายเป็นอามันติสอลเลยเดินมามัสยิดเป็นอามันติสอนเลยทำดีกับพ่อแม่ตัวเองเป็นอามันติสอลเลยจะให้หัวใจเป็นสนิมอยากไหมถ้อาอยากถ้าจะอยากอนยะ้กให้ทำสี่ข้อหนึ่งทะเลาะ ก, กับพ่อตัวเอง เถียงกับพ่อตัวเองอ่ะเถียงกับแม่ตัวเองแม่พิษพ่อพิษฉันทุกข์ขึ้นเสียงดังมากเมไรเองจะตายสัทีล่ะคนที่เถียงกับพ่อแม่ตัวเองหัวใจเป็นสนิมครับแต่สนิมเป็นไงพี่น้องเราเคยเห็นใช่ไหมล่ะเรื่องที่สองครับทะเลาะกับภรรยาตัวเองบ่อยๆทะเลาะกันเถียงกันทะเลาะกันเถียงกั น, ถ, กนถามบ้านเข้ามสุขไหม ทำไมให้อาภัยไม่เป็นนเลก็พกไม่เคยอ่านกนะุราน่าดานาบีดาสุนนบีดาอัลลอุรานชุมนให้หัวใจเป็นสนิมทะลอกกับเพื่อนบ้านนะอันนี้มีบ้านอยู่สองหลังนั้นนงกว่าสองหลังทะลเลาะกัหมดเลย น, ะนินทาขัาดา่าขังไม่เคยส่งอาหารให้เลยนะให้เพื่อนบ้านนะไม่เคยเยอดินพลาสต์เม็ดสอ 1, งเม็ดไม่เคยยืดนะ่ะ อากองปลาเคม็มก็ ส, ส่งๆบ้างให้ได้เลยแกงมาสมุนอะไรอร่อยก็ส่งกันเ น, <_ d ata> นี่ยถ้าทลวงกับเพื่อน บ, บ้านใจเองเป็นหัวใจที่มีสนิมครับอัลลอฮ์ยึงปฏิเสธอัลลอฮ์อกหัวใจเป็นสนิมอ่าเล่าแค่นี้ก็สามสรายการเนี่ยเอามาต่อมาครับวารมูซีคนที่ไม่อิมานต่ออัลลอฮ์กับคนที่ไม่มีอามาณฑิตซอแล้วใครเรียกว่ามู่สีคนอะไรนะคนชั่ว มาจากไซยิ์แปลว่าเลวมุซิคนที่ทําบาปนะครับตกลงว่าคนที่อีมานกับคนที่มีอามันกิซอลและกับคนที่ชั่วเนี่ยไม่มีอีมานแล้วก็ไม่ศรัทธาต่อหรอกเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนกันอยู่บนดุลยานี้ก็แตกต่างกันมองอะไรมองดุลยานี่นักคิดกันคนละอย่างสองอย่างแต่มุสลินคิดตามนบี เดินผ่านกูโบเนี่ยนึกอะไรผมนึกตะขาบนึกไม้คอนที่อัลลอฮฺตีทำอะไรกา้ามาตีคนที่ตอบว่ามาร บ, บูก้าไม่ได้มันฑนบียูก้าไม่ได้มันอิมามูก้าไม่ได้ตอบไม่ได้ไปเจออะไรเจอคอนก็เจองูผมเดินผ่านผมนึกคนกาเฟ่มีไม้มันทำไรกันวะ เดินเตะไม้แบบวนึกคนละอยางอ่ะแต่โมเมนต์มองอะไรก็ตามแต่ทำให้อิมามันเพิ่มมาทาไงให้เพิ่มได้ลงมาให้เพิ่มได้ต่อมาครับกอริลามาตะตะจาจักรุนกอริลนึ ว, ว่าส่วนน้อยมีเล็กน้อย ต, ะตะาตาจักรุนที่ใข้ครวนเห็มไหมส่วนน้อย ที่ใครควรตามท่านนาบมีมูฮัมหมัดคิดในทางที่ดีให้อีหมานเพิ่มทำยังไงคิดไม่เป็นครับเพราะว่าให้คัมภีร์อัลกุรอานมาไม่เคยอ่านศึกษาไม่ก็ไม่เคยหาความรู้จกากกัมีอัลกุรอานอยตัวคืออธิบายอย่างนี้คนตาดีคนมุมินคนตาบอดคนกาฟเฟอัลตอมาอายะที่ห9 إنَّ ا ل س َّ ع ََ ل ا ت ِ ي َ ل ا رَيْبَ فِيهَا و ََ ك ِ ن َ أَخْصَرَنَا س ِ ل َ ا ي ُ م ِ ن ُ و ن إنَّ ا ل س َّ ع ََ ل ا ت ِ ي َ ل ا رَيْبَ فِيهَا ว่าแต่ในอัคร س นนสิลายุมินุลฮะบดิลละนี่เอเป็นนากีนะอีมานขอ้อที่ห้าใช่หรือไม่ใช่เรื่องวันสิ้นโลกมีหรือไม่มีมีครับเรื่องวันสิ้นโลกเนี่ยมีไหมมีวันกิยามะมีไหมมีแต่อัลลอฮไม่เอ่ยให้ใครรู้ เก็บเป็นความลับหมดเลยความลับในโลกนี้มีอยู่ห้าอย่างที่เอาล้อไม่เผยให้ใครรู้ถ้ารู้มากเราเครียดมากหนาหนึ่งเมื่อไรจะถึงวันกิยามะไม่มีใครรู้ครับแม้แต่มารคการ์ที่แบน บ, บัลลังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ให้รู้มรรคกาที่อยู่รอบรอบอัลลอฮ์นี่นะที่สู้อยู่ที่ยืนที่รู้กลัว ที่อะไนะเปล่าสัางอยู่รอรอร อ, อยู่ น, นั้นก็ไม่ไม่รู้เลาไม่ให้รู้เลยครับพ mm ้อ hmm. ที่หนึ่งเมื่อไร่วันก ว, น, วนเกียร mm ์ม hmm. าข้อที่สองฝนตกมากน้อยเท่าไหรไอ้นี่ที่เดาเดากันนะที่พยากรณ์อากาศนี่จะเดานะเ mm hmm. ดาผิดไหมไหมเราต้องติดตามมาเลยเน mm ี hmm. ่ยอัลมาหลายคนในโลกเี mm ่ย hmm. เขาก็ติดตามอวกาศนะ mm hmm. ดูตามพวกนันเลยเ น, mm hmm. นี่ยอ๋ออันนี้ฝนตกในใอเมริกา ทอร์นาโดสามสิบลูกตัวนั่นก็ต้องนึกอลัลลอ์ให้เราปอดภัยอัลฮัมดุลิลลาสุดอยูต่ต่อลอ์เลย์เราะนั้นทำไมอัลลอา์เล่าเรื่องฝนตกที่ไหนมากน้อยนะลมมีไม่มีเตือนผุ้เมหน้าให้นึกถึงพี่น้องมุสลิมเราด้วยนั่นไมในมาเลเซียน้ำท่วมใช่มากเพราะก็เป็นหัวงาแต่มข่าวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะน้ำท่วมบ้านหลังหนึ่งมุดล่างคาเลย์ วลแห้งแล้วมีกูอ่านอยู่สองเล่มวางอยู่ในบ้านนี่นะปรากฏว่าน้ํามไม่ท่วมเลยเท็จหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็นั่งอ่านเฮ้ยท่วมบ้านเลยมิดเลยอ่ะแต่มีกูอ่านอยู่สองเล่มนะที่วางอยู่นี่นะ น, มมนะน้ําไม่ท่วมครับทางด้านตรงมีเลนอยู่ติดบ้านหมดเลยเต็มหมดเลยใช่ป่ะแต่กูอ่านแอ น, นีบแต่ปลอดภัยมาได้ยังไง ถ้าเป็นความจริงอัลฮัมดุลิลละคงก็จะเป็นข่าวแด้เฟกเนิวใช่ไหมทางนี้ร่าแค่ที่พอนะครับตกลงว่าวันเกีย์มาเมื่อไ ง, ไงอินนสอาตาโอ้เด็กไปไม่หมดวายาอะลมู ม, มาเป็นอาทามไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในคันมันดาเนี่ยเป็นยัางไงาอย่างลูกเนี่ยผิวขาวผิวดำรู้ไหมรู้ จะพิการไม่พิการรู้ไหมไม่รู้จะคลอดก่อนกำนวนตหรือว่าอะไรไม่รู้ครับท่า น, นต้องมอบหมอให้ตัวร้อยเยอะๆต้องขอทุกอยาเยอะๆคนยังมีลูกภรรยาอยู่ในท้องนะอย่านั่งนินทาคนอ่านคัรอ่านเยอะๆอ่านคัอ่านเยอะๆอ่านเยอะๆทำดูดีแหละต่อมาครับพรุ่งนี้เราจะทําอะไรไม่ใคยรู้อ่ะบางทีจะทําอะไรเน็นเตมามีปัญหาตามมาไม่รู้อ่ะ ข้อสุดท้ายว่ามหาดยดรีนับสุมบิไอยออาร์ดิงตามูดท่านจะตายในแผ่นดินไหนรู้ไหมรางไปอยู่ที่เขาเขาเยอะเที่ยงไปบรรยายตอนสิบเอ็ดโมงก็นึกที่นั่งรถมามึกปลอดภัยหรือเปลาเ่ต้องขอรางตอนนั้นรออัดวัดทำแล้วเนี่ยพอจะผูก พ, พันกับรอเนี่ยนะดีวุฒิัยงสงบถ่านจะตาย ตายพวกนั้นล็อกในนิพหานพอจะไปในงานศาสนาหมดเลยครับครับอินัะอ า, ตาะเตเลติแทจริงยามอาวส า, านั้นจะต้องมาจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยต่อมาลาลอยบาฟีนี่ไงนเน้นดีนะไม่ต้องสงสัย ไม่มีข้อความแคลงไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเล่าให้นบีมามาฟังให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้ฉะนั้นมุสลินทั้งโลกเนี่ยต้องเชื่อพอเชื่อว่ามีวันมีวันสิ้นโลกมันต้องเตรียมตัวไงอพอสิ้นโลกจะตกฟื้นไหมต้องฟื้นอีก้องถามดูเถอะตายกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งตัวใหญ่พูดยังไงนะคำเดียว แต่ที่ถูกกี่ขั้สองตายสองเกิดสองนะครับเวาลากิ น, นอักสารนาแต่ว่าให้ันอายาที่แล้วอกับลกินเนี่ยมาอายที่หบดอันี้ลากินนะอักสารนาอักสรนาใช่ไมมนุษย์ส่วนใหญ่ข้างบนลยายละมูลไม่รู้อายานี้ลายุมินุไม่ศรัทธาใช่ไมเราพูดไปพูดซ้ำไปซ้ำมา ให้เราได้คิดนะ่อะอายาแรกไม่รู้อายานี้ไม่อีิมานฮะจะจะอิมานได้ไงเองปฏิเสธตลลอดจประจบเลยถ้าถ้ายอมเราว่าเลามีเลาสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินสร้างมนุษย์สร้างเรามาสร้างสติปรรัญญาเราให้นูน่นให้นี้มันจะน้อม น, น้อมก็ถ่มต้นอน่ะก็ทําตรงนี้ข้ า, า, ม, ขามันจะถ่มตัวมั้ยน้อก็ตะกะบูดเยอะเย็นกูแน่กูแน่กูแน่อ่ะทีนี้ หลังจากเป่าสังกิยมาร์นี่มาเพราะเป่าสังนะใช่ไหมเป่ากี่ครัง้งสองครั้งเป็นความรู้นะเป่าครั้งแรกเนี่ยตายหมดคนสิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้ตายหมดพอตายเสร็จแล้วนี่นะสี่สิบรอไปอีกสี่สิบไม่รู้ว่าสี่สิบวันสี่สิบเดือนสี่สิบอาทิตย์สี่สิบปีไม่ได้บอกเพราะ เลยไปสี่สิบวันปกเป่าอีกครั้งหนึ่งฟื้นหมดเอามาดูโมเมินตพุทธาต่อร้อตอนฟื้นจากกูโบเนี่ยอายุเท่าไรหร่รู้เปล่าพอฟื้นขึ้นมาไม่ต้องเข้าสวรรค์นนะพอโพธิสะขึ้นมาเนี่ยคนแรก น, นบมมมะเบงพมัดรับพอโพขึ้นมาครับอายุเท่าไหร่สามสิบสามเท่ากับนมมีอินิสาไรจิสระแล้วก็ แล้วก็คิ้วเนี่ยสวยขนตาดำเนี่ยราอะบีน ล, ล่าให้ฟังแต่ว่าแก้ผ้ายังยังยังยั ง, ย, งยังไม่ทำสุ น, นัตนะสุนัตไม่นีพญานาบีถามว่าเออแล้วคนไม่มองเลบอกไม่มีใครมองใครยามยฟิรุลมารอูมินอขคย พี่น้องจะวิ่งหนีกันหมดเลยพอฟื้นคือฟื้นฟขึ้นมายกวิ่งมุกเมนผู้ศรัทธาต่อว่ามาต้องหนีไปไหนครับลูกจะอยู่ไหนแม่จะอยู่ไหนเรียกมาเลยยิ่งลูกเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานท่องจําอัลกุรอานเนี่ยจะวิ่งหาแม่แม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนพ่ออยู่ไหนมาอยู่กับลูกนไงก็ปลอดภัยอ่ะอ่ะไม่ต้องเอาไงอ่ะดังน้นมีลูกต้องคิด จยาจะให้ลูกเรียนอุรนิก่อนวิชาอื่นก็เรียนได้แต่ให้ความสำคัญกับการอ่านอาลัลกุรอานสำคัญที่สุดคุณลงว่าอยากเกิดอายุมาสามสามสิบสาวจะมีมีคนตาดำไหมอ้าวเชิญ <c oughs> เป็นมุสลิมตั้งแต่วันนี้เลยเน้องนะอิมานต่อเลาะ อ, อิมานต่อละซูลปันเกียมมามาแน่นะครับอาต่อมาครับ ล่ารอยบัฟฟี่ไม่มีข้อสงสัยเรื่องที่สอพี่น้องทั้ ง, งหมดนะสิบสบหรายการหลังจากเป่าสามแล้วมีขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดทั้งหมด16บหรายการจนกว่าจะได้เข้าสวรรค์เอาถาว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่มากครับอยู่บนดนยายนี้อลัลลอฮฺไม่ได้ทดสอบมาไรเยอะพี่น้องเรียกร้องอย่างเดียว อ ي มา ن ต่ลอลา l a h إ ي م ا ต่รอร a s น l إ ي م ا ต่อน a b ดูอัลกรุรอานทําเันไม่ได้เลยนะแต่ถ้าไปอนษาวันน่ะต้องต้องผ่านอีกสิบหกขั้นตอนนะ่ะขั้นตอนแต่ละขั้นละขั้นละขั้นนี่ทรมานหมดเลยนะแต่ไม่ตายครับนบีก็เล่าว่าสําหรับผู้ศรัทธาต่อลล l a ความโกลหลวุ่นวายในทุ่งมหาศัตย์นั้น คนอื่นเขาเกือบจะตายแต่แต่แต่ไม่ตายแต่ผู้ศรัทธาตอรองแค่เป็นหวัดเอาได้ไหมเอาแค่เป็นหวัดมีความรู้สึกแค่เป็นหวัดแต่คนกาเฟรในวุ้นวายอยู่ทุกเลยลองลอภิธรรมานเจ้านั้นอย่าลืมนะสิบห้ารายการสิบหกรายการเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นแล้วนะบีเล่าเล่าแล้วนะอะขอยกตัวอย่างตาช่างมีไหมมี คิดบัญชีมีไหมมีท้ามสะพานมีไหม ม, มีแล้วก็ถูกลากมาจากกัะปุโบนจากจากองเคทเนี่ยไปทุ่ง ม, ม้าชาัดนะ่ะคาถาว่าทุ่ง ม, ม้าชาัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศชามน่ะนู่นอยู่อารับานะแล้วคิดภาพจากมึงไทยไปน่ถ้าอาัลลอ์ไม่ให้ช่วยนะอัลลอฮ์ช่วยมุเ ม, มนตเนี่ยนั่งบนหลังอูดอูดตัวงนั่งสิบคนมี นั่งเก้าคนมีแปดคนมีเจ็ดคนมีสองคนมีคนเดียวไม่มีอย่างน้อยต้องสอง อ, อยากนั่งบนหลําอูนไหมลนะ่ะถ้าอยากนั่งบนหลําอูนนี่เหมือนเรื่องจริงก็ต้องเปลี่ยนนิสัยเราวันนี้ก่อนอย่าทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองมรดกอย่าไปโกงเขานะจาจ่ายให้หมดให้มันถูกต้องอนะ่ะเอารถเล่นงานอนะ่ะในวันทุ่งมัสชัดนั่นเหนื่อยนะ เงินทองช่วยได้ไหมอ่ะไม่ได้เพื่อนฝูงช่วยได้ไหมรถเบนซ์ราคาสิบล้านช่วยได้ไหมอ่ะช่วยไม่ได้อที่ช่วยได้อีมานตะวัอนอียาตีดยาซานเอกลาสวาอามาลุซอลแล้วช่วยประคองชีวิตไม่ให้ลำบากตั้งแต่ชีวิตอยู่ในกูโบพอฟืน้นขึ้นมาเงทุนมาใชาก็ปลอดภัยหมดเลยแล้ฮามดุลิลัยมีเป็นต้นโอ้ เรื่องยาวน้องอะต่อมาครับไอ้ยาที่อะไรนะอ่านอกนิดนึงคนที่อยู่สภาชื่อทุ่งมาชัดมนะีเจ็ดเจ็ดกลุ่มสภาจริงๆเลยนะเหมือนเราเนี่ยนั่งเครื่องบินจะไปซาอุดีอระเีไปหาดใหญ่ถ้านั่งเฟิร์สคลาสเนี่ยเขามีเวตติ้งอะไร เวทีร mm ูม hmm. ใช่ไหมลนะ่ะเอาไปนั่งรอก่อนท่านนั่งเฟิ Class ใช่ไหมนะ่ะนั่งเวทีรูมนี้เดี๋ยวร ถ, ถจะมารับคุณนะ่ะไปจอดที่หน้าบันไดเครืงบินเลยอย่างงี้เอาไหมพเพราะเราเวทีเรามันเฟนะิสคลา s ล่ะเพราะใจเยอะพอเพราะเนื้อเยอะบนลุนยากับคนที่จะต้องเดินขึ้นเครื่องนีนมม้มั้ยม mm ี hmm. เอ็งได้เฟิสคลาสไปแต่เรามันเฟนะิสคล s สล่ะเอาอยัางไงจะเอาเฟิสค s าสจะเอาเฟิสคลาสก็เลือกเอา นั่งเวทีงรวมที่สนามบินเดิรถมารับขึ้นเครื่องบินนั่งอยู่ข้างหน้ามีบริการเต็มที่นี่อธิบายเล็กๆน้อยๆจะดุญูยญาอาัิขรรมันหายอย่างกัว่าที่ไปคันอธิบายให้เข้าใจง่ายๆต น, นเองหนึ่งอิหมามอาเดนเป็นอิหมามคนนี้นะไม่ใช่อิหมามสุราอยู่ด้วนะ อ, อบต อ, อบจสจสวสสทั้งหมดถนะ้าถูกหมดนะเป็นผู้นำคนยังไงนะพาคนหลวงอะ่ะ เป็นผู้นําคนมันต้องพาคนไปไรสวรรค์พ่อบ้านในกระทูง่ะเป็นอิหมามเนี่ยตำแหน่งอิหมามมีตำแหน่งพ่อบ้านมีไม่อ่าถ้าเป็น ator, อบตวเ่นวายไหมหวังรางวัลตอบแทนจากออลลอฮฺทั้งหมดครับต่อมาครับเด็กหนุ่มที่เจริญเติบโตมาอยู่ในการพักดีต่อออลลอฮฺเนี่ยเด็กห น, หนุ่มที่มาาร่างฟังอุบายตัวนี้ทีมานะมาสมาสบอเนี่ย เนีดูแลลูกอย่างนี้ให้ไปคนมีสักนาแต่ไปสวรรค์หมดน่ะอลัลลอฮัตบข้อที่สามหัวใจของคนคนหนึ่งเมื่อได้เวลานะหมาดนึกถึงอะไรมัสยิดของอลัลลอฮฺไม่ใช่นึกถึงคุณ น, นอนที่บ้านกูนดีกว่ากูไม่มาสุราเราความคิดของใครอ่ะมันใช่ต้นอ่ะ ถ, ถ้ามันต้องเสียสละเวลาเนี่ยกรมุญาจาได้เนี่ย เอาไปชาตเนี่ยศาสนาในการดังว่ า, วาก็จะชาตตัวเองมามัสนิดได้ไหมก็ด่าว่าอีกล่าข้อที่สี่นะครับสองคนรักใคร่กันเพื่ออารม์แล้วก็เกิดแยกออกจากกันก็จงเพื่ออารมณ์นะข้อที่ข้อที่ห้าผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างสวยที่มาจีบผู้ชายคนหนึ่งเอารถมารับงาบ้านไปกับน้องแม่แต่ผู้ชายคนนี้บอกฉันกลัวรอดกันไปไปเธอไม่ได้เนี่ย อยู่ในเวตติ้งติ้งรูมนนะจะเข้ารอเข้าสวรรค์ข้อที่หกบริจาคทรัพย์ด้วยมือขวามือซ้ายไม่รู้ข้อที่เจ็ดอยู่คนเดียวนึกถึงอัลลอฮ์น้ำตาไหลเคยเปล่าฝุกต้องฟึกอ่านกรอ่านอายานึงคน น, นึกองค์คแปรนี่ดีน้ำตามนันจะไหลผมเห็นอุลมะคนหนึ่งเนี่ยคนนอนกลางวัน นอนคุมผ้านะ้วก็ร้องไห้และนอนผมมองท่านนอนนะนอนตะแคงขวาตามโซน่าและเบี่คนนี้ดีจริงๆร้องไห้สะอึกสอื้นสะอื้นๆะอื น, อ น, อนแล้วก็หายขึ้นมากับขึ้นมานามาเนี่ยผมไม่เล่าว่าใครนะผมเห็นมาด้วยตาผมเองนะนะครับเอาแค่นี้พอนะครับแตอ่อีเรื่องหนึ่งอีคนนึ่คนที่มีนี่มินี่เนี่ย ไม่เจ้านี่สับลุงนี่ยังว่าลนะ่ะคนเินเจ้านี่เนี่ยไม่โหดไม่แจ้งความจับพอต้องไปขึ้นศาลผนะ่อนปล้นอะไปอาฉันให้เวลาอีกหกเดือนหนี่แส น, นง่ายอีกหกเดือนอาให้หอีปีนึงเอ้าให้สองปีเนี่ยคนประเภทนี้นะจะในทุ่ง ม, มารดจะสง่างามจะไม่ร้อนจะไม่มี ไม่มีอุปสรรคไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยข้อหนึ่งนะครับคนที่ไม่แต่งตัวตามแฟชั่นคนนุ่งใส่โต๊ะนุ่งโพสโร่ในปลอดท้บนนะแล้วก็คนอาจารย์ออนี่อยู่ศาสนาอยู่แล้วอย่าง ม, มากมัดสบายหลยเพีางแ่น้อยนะแต่ต้องทำพเพื่ออะไรนะบางคนอาจารย์่โชว์เสียงมีไหม อาระวังระวังไอ้โชว์โชว์นี่ตรต้องนึกตลอดเวลานะครับและอีกข้อหนึ่งก็คือคนที่โกรธแก้แค้นได้พวกเยอะแต่ไม่แก้แค้นชัดไม่เอาแล้วหาภัยเขาว่าเนี่ยเจ็ดแปดจำพวกสิบจำพวกนี้อ่อนลอกอวบยิ่งใหญ่ครับนะดังกี้เป็นต้นครับเอาต่อมาครับแล้วที่อไร อินชาตะอัลอาลติยตุลลอฟีบะกิน์ะก ل ك ن أ ك นา و ิลาย ي ม م นูนแน่แท้ยามอาวสานั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแน่นอนไม่มีข้อคางแคลงในนั้น แต่ว่าส่วนมากของมนุษย์นั้นไม่เชื่อยังถามด้ว่าคนที่ตายไปแล้วกลายเป็นกระดูกอ่ะจะกลับมาได้ยังไงเราเล่าเองนะ fingerprint อธิบายยังไงรอยนิ้วมืออ่า fingerprint ว่ารอยนิ้วมือเนี่ยคนที่ตายเนี่ยรอยนิ้วมือมันหมดใช่ไหมละ่ะ เราว่าฉันจะให้เขาฟื้นขึ้นมารอยนิ้วมือของเขาตอนตอนตอ น, ต, อนตายในสนภาพไหนฉันจะเอาขึ้นมาเหมือนเดิมเลยบดากอดดรียอลานุาวีย์บานานะบานนลเียฟิงเกอร์ปรินนี่รอยนิ้วมือเนี่ยหัวแ ม, ม่มือเนี่ยก่อนตายเหมือนอะไรฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิม นี่เล่าอย่างนี้ยังไม่เชื่ออยู่นะเผชิญท้าสบายเล่าอีกทีนะคนมุมินตอนตอนฟื้นขึ้นมาอายุเท่าไหร่ขนตาดำโ ล, โลอักวะเชี่สองราการนี่เราก็ดีใจนะอยาลอนะอายุสามสิบสามนะแล้วคนที่นุ่งผ้าพอนคนแรกนาบีบรอฮีมาอาสาเหตุเพราะอะไรใชไหมเพราะท่า น, นถูกให้แก้ผ้า เป็นนบีนะทำงานอิสลามนะด่าว่าอิสลามเนี่ยนะถูกให้แก้ผ้าตอนไหนหรล้ไหมตอนที่จะจับโยนใส่ไฟนี่นบีมันเล่าเองฉันสงสารนาบีบรอยยิมจังเลยถูกจับโยนถูกจับแก้ผ้าแล้วโยนใส่ไฟกูชนะแล้วกษัตริย์มรุตกูเก่งหนะ้าดูเลยอิบราฮิมตายแน่ ตายป่าเอาล็อบวกกับไฟไฟเอยจงเย็นไม่ใช่เย็นอย่างเดียวนะมางทีเย็นกับกลายเป็นน้ำแข็งัปด้วยใช่ไหมเย็นด้วยสันติด้วยบัดดันวาซาล่ามนาลาอิบรอีเออชื่อด้วยสง่างามไหมตอนที่ถูกแก้ผ้ากอนอายคนมันขนาันไม่จะไม่อายนะ แล้วจับโยงใส่ไฟแล้วไฟเย็นฉะนั้นอัลลอฮ์เลยให้เกียรติกับ น, นบีมูฮัมมัดเป็นคนแรกที่เอากระเซียเอาโลโต๊บเนี่ยมาจากสวรรค์นนมามาจะไปใสก่กอนเป็นคนแรกอย่งนีเป็นต้นสังหาง่มยไหมฉะนั้นอิสลามพี่น้องครับจะแก้ผ้าจะจะใส่ผ้าเสื้อผ้าตอนนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยโอ้โยมอัลลอฮ์หมดเลยโยงกับเกียรหมัดโยงนู่นโยงนียยน่โยงหมดเล ย, ยมมอ่ะ พอกินข้าวอาหารแมมอร่อยด่าใครม็ต้องไปด่าใครเลยชมเมียอาหารน่เธอรอร่อยตะขอหน่อยใ <c oughs> นผมแนะนำให้นะผมเอาไปใช้ใช้ท่าไหนต้องใช้ก่อนตายนี่แหละเพื่อจะเอารางวัลตอบแทนจากอัลลอฮสุบัยนบะบัวตาแล้วนะครับมาต่อมายัสุ้าครับ وقال ربكم وقال ربكم مدعوني أستجيب لكم إن الذي ن َ س ت ك ب ر و ن عن عبادتي س ي د خ ل و ن جهنم الدخرين ِ w a q a l a Rabbu k u m u d a u n i Astaji b l a k u m Innalaihi naystakbiru a naan i b a d a t i s a y a d k h u l u na jahan na madakhirin Alhamdulillah ayat ketiga. ก็ พ, พูดเรื่องวันเกียมติ์จบพูดเรื่องอะไรนะแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องใหม่วันเกียมติ์มีจริงเกิดขึ้นจริงพูดเรื่องขออุทิอา่อาอาัะนี้พูดเรื่องการขออุทิศยกมือไม่ยกมืออีกเรื่องหนึ่งนะอ่าบางคนทะวากันเรื่องเํายกมือนี่แหละไ อ, ไอ้ไม่ยกมือเนี่ยคณะนู้นยกมือในีคณะนี้ อ๋ออยางนี้อ่านน้ำนมมาเนี่ยต้องยกมือไหมอานน้ำนำมนให้อ่านดวงอาจจะมาอัสสลัมอิลลอฮิลลอหละวะดะวุล่าสลิกะลาอัสสลัมอันมุฮัมมัดานามูวะรอตูลุมไม่ต้องยกมือนี่เป็นขอบคุณหมแล้วนะฉะนั้นในหลา ย, ลายที่ม่ต้องยกมือดูอ้ากินข้าวพออิ่มแล้วนะว่าไงนะ ا ل l a م u m m a rabbil alamin, ขอพะมหากรุณาบุญเจริญนะมิในมุสลิมินไปกินบะอาหารแคนอื่นอัลลอฮมาบ้าริบละหุมฟีมารารักละหุมเราฟรีุมวัดทางหุมผมได้ถูกเชิญไปกินอาหารบ่อยต้องอ่านดอวย a f k a อ a i n dalgumuslimun wa akalatul amah dalgumul abdul wasallam alaih d a l g องยมหไม่ต้องเพราะ ตัวอย่างนบีมหามัดไม่ได้ยกมือเลยเดินตามนบีสบายสบายใจไหมเดินตามนบีจบทำตัวนี้ไดถ้ายกหรือไม่ยกดูนบีก่อนอย่างหลังหลังนมาเนี่ยต่างคนต่างอ่านรูปแบบในการฟาติฮายกมือเนี่ยไม่มีนะไม่มีคนะรับเราพยายามเดินตามนบีนะ ค่อยเรียนไปข่อยเรียนไปข่อยเรียนไปต่างคนต่างขอเอาใช่ไหมบางคนขอภาษาไทยบางคนขอภาษาองบางคนขอภาษามาเยูใช่ไมล่ะก็นั่งขอาัาไปสิ<ม>อาอนใจรับเลยไม่รับอยู่คุณอยู่หัวใจเวยนะ<ม>ถ้าหัวใจลยอยอ่านตัวอัแบรจับจำอะมีเปล่า <laughs> รับานาะอารตินาฟินดุนยาคาสนาหัฟิลโอ้แปลว่าอะไรไม่รู้กูอ่านมาตั้งแต่เล อางนเป็นต้นคนนี้ก็เล่าให้ฟังนะเตือนกันจากจากอุราครับว่าก็แหละแด่พระผู้อภิบาลของรอบบุคุมพระผู้อภิบาลของสูเจ้าก็อล่ะตัดว่าเนี่ยเราเล่าเองนะท่านนบี ม, มามาท่านนบี ม, มาสอนเราว่าอูดานี่จงอะไรนะจงขอ จงวิงวอนขอต่อฉันนี่มีตัวยาอยู่นะจงวิงวอนขอดวาต่อฉันขอก็อหลืได้เปล่าได้ไม่ได้ขอคนอื่นไม่ขอหรไปขอเจ้าโต๊ะตะเกียได้ไหม <c oughs> ถ้าโต๊ะตะเกียก่อนตายนะไปขอได้ถ้าตายแล้วหมดสิท ขอความช่วยเหลือกันบนโลกดุนยาเนี่ยขอจากคนเนี่ขอได้แต่ถ้าจะขอเรื่องใหญ่ๆเน่ยเรื่องอะไรเรื่องให้งานสําเร็จแน่ต้องขอจากอัลลอฮ์นะครับอุดเดานี่อัศจริบและกุมฉันจะตอบรับคําวิงวอนของสูญเจ้าสบาใจไหมขอสิถ้าฉันจะให้ เทนดูอาร์เนี่ยมีอยู่ห้ารายการมีอยู่ห้าอย่างหนึ่งมิจฉาคดีนะสรุปะไรฟังนะขอแล้วได้เลยมีเยอะผมสังเกตตัวผมเองขอแล้วได้เลยมีมั้ยมีครับข้อที่สองขอแล้วได้ช้า10ปีกว่าจะได้อายกตัวอย่างเรามีลูกสาวลูกชายเยอะมาก เรียกลูกมาลูกนี่อายุกีก่กว่าแล้วเนี่ยอยู่ปห้าแล้วนะปหกแล้วเริ่มขอรัวได้แล้วขอรัวเอาอล้อให้ฉันได้แต่งงานกับผู้ชายที่ศอนและบอกลูกผู้หญิงถ้ามีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงบอกลูกเอ้ยขอให้ฉันได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ศอนเลยฮะด้วยเตือนว่าจะแต่งอีกปีอีกสิบปีใช่ไหมล่ะ ป, ปียี่สิบปี นี่ไงขอแล้วได้ชาเรื่องที่สามขอแล้วไม่ได้แต่บัละาไม่มีเอาเรือไม่เอาเอาถ้าได้มาบัละาตามมาด้วยไงอายกตัวอย่างเนี่ยอยากได้ร้านน่าสื้อขอดเห็นคนเยอะโอยโดยมันควยเลยนะขอมาห้าปี เอาร้องไม่ให้แล้วก็ต่อมาก็เอางให้อ่ๆๆเอาไปเอาไปไปขอจังเลยร้องให้ร้อ ง, องหมจะเอาโล่แล้วขึ้นนมัถ้ า, ยารยุ่อยากได้ร้อนาได้ร้อนมันลอ้าท่านนี้ทำอาหารกุ๊กเกงเมียก็เกง่งร้องให้อ่ะพระปวนมาได้สักปีกว่ า, วาไฟไหม้ไม่ให้มาห้าปีไฟไหม้ไหมไม่ไม่ไม พอได้แล้วเกิดไฟไหม้ย่างเงี้ยขอแล้วไม่ได้แต่บาระไม่มีเหมือนกันคนดีต้องการมีภรรยาคนที่สองคนที่อิสาลามเปิดนี่บางคนเนี่ยต้องดูภรรยาเราก่อนภรรยาคนแรกเราพอมีปั๊บปัญหาเลยโอ้โหนอนไม่หลับกันคือเครียดโอ้หนักหนักไหมนี่ถ้ามี إ ي م านอย่างเดียวเนี่ยเครียดไหม ไม่เครียดตอนนี้ในยกตัวอยากแตกแตๆเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องไปคิดต่อเองก่อนละกันเอาต่อมาข้อที่สี่ขอแล้วไม่ได้แต่บาละไม่มีข้อที่ห้าขอแล้วไม่ได้แต่ได้หลังตายสําคัญมั้ง น, นนะขอแล้วไม่ได้แต่ได้หลังตายยืมบุญญาเนี่ยขอไม่ได้แต่เอาละว่ ฉันจะเก็บดุอาของคุณไปให้ตอนนอนอยู่ในกูโบนูนตอนขึ้นมาจากกูโบที่ถุกมาชาัดนูนไปให้ตรงนู้นตอนนี้ไม่ให้อย่างี้เป็นตอนฉะนั้นดุอาดีบ้างดีอย่าดูถูกดุอาคนที่ดูถูกดุอามีเปล่าที่เรียนมาแล้วใครฟิลิปฟิลิปดานบียโซา จะรู้ในอักตุูลมูซาวยรยศอร บ, บาหูผมจำปล่อยฉันคนเดียวฉันจะฆ่ามูซาให้เขานั่งขอดุอาไปเถอะการขออุอามีอะไรไมั้ยจะไปไงครับนบีโมซาขออุอาให้ฟาโรห้ารอโลดโทษฟาโรบริการลงมาจะให้ตายที่ไหน เราให้ตายในพระราชวังเละมนุษย์ไม่รู้เนี่ยเราบอกไม่ได้พยุปริทัมบอกไม่ได้ใช่ัหมเพราะว่าตายในพระราชวังไม่ได้เพราะว่าเขาเขียนชื่อฉันแปะเอาไว้เห็นยังมีชื่ออรรถอยะอรรถก็ให้เกียรติ เอาชื่อฉันแปะเอาไว้ไม่ศรัทธาต่ออัลลอ์แต่เอาชื่ออลัอลลอ์แปะเอาไว้เสร็จแล้วก็ไม่ได้บอกเลยนะจะให้ตายในานา้ำเมื่อไหรมันไม่ได้บอกเห้ยังฉะนั้นฟาโรห์เนี่ยดูถูกดุอาของนบีมูซาเหมือนเตือนเราวันนี้ดุอาเ น, นี่ยอลัลลอ์ให้ห้าอย่างไม่หนึ่งในห้าต้องได้แน่ๆหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ชา้า สามขออย่างหนึง่งได้อีกอย่างหนงึ่งเส้นขอลูกผู้ชายเอาล่อให้ลูกผู้หญิงแบบเนี่ยนางมากของนางมารยยมนะขอดุทิศให้ลูกอยากได้ลูกผู้ชายเอาไปเป็นผู้ดูแลมัสยิดแต่เอาล่อให้ลูกผู้หญิงอ่ะนางนางนางมารยยมอ่ะแลอะไรไมาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนนต็มเลยใช่ไหมอ่ะมารยยมท้องไม่มีพ่อมีลูกไว้มีพ่อแล้วก็ถูกจับตึงมังเช่น เป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เลยทั้งโลกทั้หมดเลยนะแต่ปลอดภยัยไหมลอยยกไปบนชัน้นว่าไม่ได้ใครรู้เลตอนยกนะไม่รู้รล้อลากทะเบียกุงหารหน้าแตกไปหมดเลยนะทั้งโลกอ่ะ <c oughs> น, นี่เป็นต้นนะโอเคนะแล้วก็ขอแล้วไม่ได้ไแต่บาราไม่มีข้อที่ห้าขอแล้วไม่ได้บนโลกดุ้งยาแต่ไปได้ในโลกอาขึ้นว่าก็เราเรอ บ, บูกรุม อุดาลีอัสตางิบาลกุมและพระผู้อภิบาลของสูงเจ้าตรัสว่าจงวิงวอนขอต่อฉันสิฉันก็จะตอบรับการวิงวอนของสูงเจ้าอินนัลลาฮีนะแท้จริงบรรดาผู้ที่ยัสตักบิรูนคนอะไรคนโอหัง อ, ว, ว, อวดโตอวดดี นิดาราชมคนประเภทไหนครับมินไออันไอบาจติคนที่อวดดีโอหังต่อการพักดีต่อฉันคนที่ไม่ก้มสูญหยุดกับอัลลอฮเป็นโคตอวดดีชมหรือหรือตำหนิตำหนิแบบนิ่มๆไม่เอาฉันฉันให้เห็นยังไงนี่ใจดีไม่ดี เอาไปเลยบ้านเอาไปเลยรถเอาไปเลยเมียมันต้องแต่งด้วยเอาดาราด้วยนะส่วนให่สว่สสวนในโลกอะอาไปเยอะแค่โลกเดียวแต่เราได้เองเอาแค่ะนะคนที่ไม่สูอยู่ต่อฉันไม่ขอดูอากับฉันเองเป็นคนตะกั บ, บุญเยอะยิงจองหอมอวดดีนี่ท่านเป็นเรานะมันไส้ไม่ให้หรือไม่ให้เพาไม่ให้อะ่ะ แต่ซื้อาตลอดคนรออักบัขนาดตำหนิว่าเองน่ะวดดีนะยังให้อาบานไปเอาลูไปเอาเงินเดือนไปเดนละแสนเอไปเอาไป <c oughs> ได้ลูกเดียว อ, อย่างนี้เป็นตัว <c oughs> สายญาติคูรูนอโอ้โหตอนท้ายนี่น่ะแสดุญยานี่เอาไปเลยแต่เบื้องหลังของชีวิตบ้านปลายสุดท้ายของชีวิตไปไหนครับสายญาติคูรูนะ พวกเขาทั้งหลายจะเข้าไปอยู่ตามบระดหันนำแล้วเอาทำไมล่ะเราเล่าให้ฟังแล้วนะพวกเขาทั้งหลายจะเข้าไปอยู่ไหนนรกดาคิรินตําต้อยไรยเกียตน บ, บีอธิบายไรยเกศขนาดไหน เหมือนกับมนุษย์นี่นะเวลาเดินไปไหนในทุ่งมาชานะ่ะเหมือนกันนะนะเหมือนกับมดนะ่ะมันก็ตัวมดนะ่ะโอ้ยคนหน้าบ้านเราเ่ว้เฮ้ย <c oughs> แต่มันปฏิเสธอัลละฮ์ไม่เอาอาลัลลอฮ์ก็ทางานอยู่ออฟฟิศเดียวนี่ว้เ้ยไม่เอาอาลัลลอฮ์ไงอ่งนี้เป็นต้นป้งนึกภาพมาะฉะนั้นไม่เอาอาลัลลอ Allah ให้อยู่บ่มนุษย์ธให้สบายไหมโอ้โห و. แต่กูอานตอนเริ่มต้นน่ะสบายแต่อมทุกสบายแต่อมทุกเพราะฉะนั้นทำไมอมทุกเดินตามนบีเดินตามสาาุภาบ้านนบีเดินตามอาลัลลอฮมัมสฮับจังสรีเด็กเขาสอนปกป้องเรื่องบิญญาทั้งบทเนี่ยเดินตามนั่นให้หมดนะพี่นอ้องเอาตัลงว่าการขออุทิศดีได้ไม่ดี คนที่ไม่ขอดูอาในฮาดีของอบับดุลฮะไรร์อัลันทึลบรูอิมัมฮากิมกับอามัดบอกว่ามันล้ใครที่ไม่ขอดูอาต่อรองก็าะบาอะไรอัลลอฮ์จะโกรธคนคนนั้นรายงานบอกว่าแม้แต่เชื่อกรองเท้าขาดพูดใหม่นะเชื่อรองเท้าขาดเนี่ยความจริงไปเดินซื้อรองเท้าใหม่ก็ได้ไม่ต้องขอยาลหรอกใช่ไหมตามเรามีเนี่ยแต่นบีสั่งขอเถอะเหมือนฉันไะ รองเท้าขายก็ขอจอากอัลลอหเราจะอยากจะซือ้อรองเท้าเมียไม่สบาย อ, ยาอา่ะอยากอัลลอจะให้พยาหายป่วยเถอะอยากเคกูแน่คุูมีตังพาไปโรงพยาบาลอะไรอ่ะบรลุงราชอ่ะทิดเพื้อทาฉะนั้นขอดะอาก่นเจ็บไข้ได้ยป่วยขอดะอากอนเจ็บหัวเขาอเอามือจับหัวเขาอันว า, วางนี้ อัลลอฮบิสมิลลาฮฺบิสมิลลาฮฺบิสมิลลาฮฺอาอูซุบอติลลาฮิวรติฮิมินชัลริมะอาจิลุวาฮะดิรุวเทียวผมมเตรียมพวกเขาวนสุญูอลลอตรามานมจพวกเขาอบิสมิลลาบิสมิลลาบิสมิลลาออูซุบอติลลาฮิวรติฮิมินชัริมอวฮิรอเวลามีมุบน หนึ่งให้อดทนสองให้ขอดูอาเนี่ยดวอาบนี้ด้วยหรือมาบนนี้อูฟาวเดูอัมรีอิลลอที่ญาติฟาโร่ใช่มหมที่รับอิสลามใช่ไหมาฟาโร่จับได้ใช่ไหมมันตามฆ่านะอ่านวงาบนายัยอูฟาวเดูอัมรีอิลลอออูฟาวเวดูอัมรีอิลลอหนีด้วยอ่านดูอาด้วยจับได้ไหม เห็นไหมนี่เป็ข้อเตือนใจจากนั้นเวลาเจอมุสีบ้าเจอร้อนเนยให้อดทนสองให้ขอดุบา3าให้อินติอรอสให้รอการรอเนี่ยเป็นาศาสนานะมานั่งรอ น, นามาดมัเรียบกับอิชาที่มัสยิดนั่งอ่านตัมซีไปด้วยอ่านคูอ่านด้วยดีหรือไม่ดีเป็นาศาสนาทั้งหมดถ้าเขาเ้าใจอิสลามการรอไม่จะทำโดเสียเวลา รอทำโดยรีดาไปรอแม่จะรงพยาบาลสามสี่ชั่วโมง ม, มีปัญหารอไปสิมาดูรอไ ป, ป, อไปขอดูอาไปดีหรือไม่ดีอย่างนี้เป็นตนนัวนี้แล้วก็อเราจะช่วยครับแน่นอนพร้อมก็ขอดูอาต่อเราและเป็นการกรัาฟเราความผิดของเราในอดีตที่ผามาตาได้ไปสวรรค์เลยครับจะมีเป็นตน้นพอตายแล้วต้องนอนไหมไม่นอนครับนอนได้ไม่นอนไม่นอนครับในเรื่องจริงครับ แล้วมันมันนอนไปไหนกันเดี๋ยวเราตาดูสิกับหมดเวลาไปนอนกับสุภาแล้วก็อคุณมาว่เบียฮัมดิ์าอิลลฮอิลลฮ์อันตอัสตะฟิลกะวะตูบิลัยกลลอฮะลาลมฮัมมัดวะลาอลีวะซบีวะซัลลมุล